จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจมุ่งใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้เกิดปัญญาเกิดความฉลาดเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ตรงต่อความจริง <Yeah. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนนี้เป็นความจริงทั้งนั้น เช่นทรงตัดสอนว่าสัพเพธรรมานาตาไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นของเราเป็นตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปทรัพสมบัติเข้าของเงินทองลุกคนต่างๆราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโภชภาพ ไม่ใช่เป็นของเราไม่ใช่เป็นตัวเราสิ่งที่เป็นของเราก็คือใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปหลงไปยึดไปติดอย่าไปหลงโลกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งดีเพราะว่าได้มาแล้วก็จะเกิดความอยากที่จะให้อยู่กับเรา อยากจะให้เป็นของเราอย่างถาวรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเมื่อมันเกิดมันดับมันจะเป็นของเราได้อย่างถาวรอย่างไรถ้าเราไปอยากให้มันเป็นของเราอยากถาวรเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้ว่าของต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนของเล่นใ น, ในโรงละครโรงละครนี้เขามีของต่างๆให้ดาราให้นักสแสดงไปเล่นกันพอละครจบดาราก็กลับบ้านไม่ได้เอาของต่างๆของโรงละครกลับไปบ้างด้วย ชั้นใดสิ่งต่างๆที่เราได้มาเช่นร่างกายของเราร่างกายของพ่อแม่ของญาติพี่น้องของเพื่อนสนิทมิตรสายของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาแล ะ, าะลาบยมสรรเสริญความสุขที่เราได้รับทางตาหูจมูกิ้นกายล้วนเป็นของ ชั่วกราวเป็นของโลกนี้เป็นของรวมละครเราเป็นผู้มาสแสดงละครเราต้องอย่าไปหลงเอาจริงเอาจรงกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพราเวลาที่ละครจบลงเวลาทะเวลาตัวละครคือร่างกายของเราตายไปเราก็เหมือนกับ กลับบ้านไปเมื่อเรากลับบ้านออกจากโรงละครไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปด้วยเพราะเจ้าของโรงละครเขาไม่อนุญาตให้เอาเราเอาไปด้วยเช่นเวลาร่างกายนี้ตายไปเราเอาร่างกายนี้ไปกับเราไม่ได้เราเอาร่างกายของคนที่เราลักไปด้วยไม่ได้เราเอาทรัพย์สมบัติ ข้าวของเงินทองต่างๆไปกับเราไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้อย่าไปห่วงอย่าไปเสียเวลากับการดูแลรักษามันมากจนเกินไปเพราะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรสิ่งที่เราควรที่จะ ดูแลรักษาอย่างยิ่งก็คือใจเพราะใจเป็นที่อยู่ของเราใจเป็นของเราอย่างแท้จริงเราไปกับใจเวลาร่างกายนี้หยุดการทํางานแล้วใจของเราก็จะพาเราไปต่อถ้าเราดูแลรักษาใจใจก็จะมีความสุขใจก็จะพาให้เราไปอย่างมีความสุข ถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจัวไปดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะสร้างความเครียดสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราเราก็จะทุกข์ไปกับใจเราก็จะเครียดไปกับใจด้วยนี่คือเรื่องความจริงที่เรียกว่าสัมมาธิจิิความเห็นชอบต้องเห็นว่า ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราใจเป็นเราเป็นของเราเราต้องดูแลรักษาใจเพราะใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราหนังที่สงตัดไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจคือความสุขความทุกข์ทั้งหลายอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ว่าเราฉลาดหรือเราไม่ฉลาด อยู่ที่ว่าเรามีสัมมาทิฏฐิหรือมีมิจฉาทิฏฐิถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเราก็จะหลงไปยึดกับสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะอยากให้สิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเรานี้เป็นของเราไป น, นานๆอยู่กับเราไป น, นานๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ ขาอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังความไม่เที่ยงเพราะมีการเกิดมีการเจริญมีการตั้งอยู่มีการเสื่อมและมีการดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นเวลาเราอยากอะไรแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยาก <c oughs> ก็จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่เราแต่ถ้าเรามีสำ ม, มาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง <c oughs> เราก็จะไม่อยากให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเราก็จะอยู่กับเขาไปเท่าที่เขาจะอยู่กับเราได้วันใดเวลาใดที่เขาจะไปจากเราเราก็ยินดีให้เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เครียดไม่เดือดร้อนนี่คือการดูแลรักษาใจเพื่อให้ใจมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ แล้วก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ให้สุขไปได้นอกจากการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องรักษาใจเป็นซี่พึ่งของใจเป็นธรรมังสารนังกัจฉามิถ้าเราอยากจะมีที่พึ่งทางใจอยากจะดับความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในใจของเราหรืออยากจะป้องกันไม่ให้มีความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นมาภายในใจของเราเราก็ต้องยึดพระธรรมคําสอนเป็นสราระเป็นที่พึ่งเราต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรถึงจะทำให้ ใจของเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี่คือความความเห็นที่ถูกต้องอยู่ตรงนี้ชีวิตของเราจึงควรทุ่มเทให้กับการดูแลรักษาใจของเราเพราะว่าใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ถาวรสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดแต่สิ่งอื่นๆนั้นไม่อยู่กับเราไปตลอด ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีราบรศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ดีจะไม่อยู่กับเราไปตลอดจะต้องมีวันจบมีวันสิ้นเมื่อถึงวันที่มันจบมันสิ้นวันนั้นก็เป็นวันเศร้าโศกเป็นวันที่วุ่นวายเดือดร้อนถ้าไปหลงไปยึดไปติดไปอยากให้อยู่กับเราไปตลอด แต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าเขาจะต้องจบจะต้องหมดสิ้นไปเราก็ปล่อยวางไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดเวลาเขาจบเวลาเขาสิ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ใจเช่นของอะไรที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นของเรานี้เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์ เช่นบ้านของคนอื่นรถของคนอื่นสามีภรรยาของคนอื่นเวลาเขาตายไปเวลาเขาจบไปสิ้นไปเราจะไม่เดืววอดร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ไประยึ์ไปถือว่าเป็นของเรานั่นเองแต่ถ้าเป็นบ้านของเราเป็นรถของเราเป็นสามีเป็นภรรยาของเราเวลาที่เขาตายไปเวลาเขาจบสิ้นไป เราจะเศร้าเจียใจร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่ฉลาดนั่นเองเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องจบเราจะต้องจากเขาไปหรือไม่ฉชนนั้นเขาก็จะต้องจากเราไปถ้าเราได้มาวัดมา ศึกษามาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเราจะได้ยินความจริงที่เราจะไม่ได้ยินกันถ้าเราอยู่นอกวัดเพราะคนนอกวัดนี้มีแต่คนโง่ไม่มีใครฉลาดเลยถ้ายังถือว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวเราอยู่แสดงว่าเป็นคนโง่ไม่ใช่คนฉลาดคนฉลาดจะไม่ถือว่านี้อะไรเป็น อะไรเป็นของเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราก็ เ, าเขาจะต้องจากเราไปในวันหนึ่งข้างหน้าหรือไม่เช่นนั้นเราก็จะต้องจากเขาไปนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาวัดเราจะได้มามีที่พึ่งทางใจผู้ที่มีที่พึ่งทางใจจะไม่ทุกข์กับการดับกับการเสื่อม ของทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะตายยก็จะไม่เดือดร้อนใครจะตายก็ไม่เดือดร้อนพ่อแม่ตายก็ไม่เดือดร้อนสามีภรรยาตายก็ไม่เดือดร้อนบุตรธิดาตายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายของตนเองตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา <c oughs> เราที่แท้จริงก็คือใจที่ไม่มีวันตาย แต่ถ้ามีความหลงก็จะทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ตายไปแต่ถ้าไม่มีความหลงก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆการจะไม่มีความหลงได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอย่างที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้แต่การที่จะเอาความเห็นที่ถูกต้องนี้มาทำประโยชน์คือมาทำให้เราปล่อยวางไม่ให้กับทุกข์กับสิ่งต่างๆได้นั้น เราต้องปฏิบัติเราต้องทำตามที่พระเจ้าทร ง, งสอนเช่นทรงสอนให้ทาทางรักษาศีลและภาวนาเพื่อที่เราจะได้ทำตามความเป็นจริงเช่นทานก็คือให้เราให้สมบัติเข้ากลองเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นอย่าไปเก็บเอาไว้เพราะเราต้องถือว่าไม่ใช่ของเรา เก็บเอาไว้แล้วก็เหมือนกับดูแลสมบัติให้คนอื่นไปไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราเป็นภาระทำให้เราต้องทุกข์ต้องกังวลต้องห่วงใ ย, ยต้องเสียใจเวลาที่เราสูญทรัพย์ไปทรัพย์ที่แท้จริงที่เราควรจะดูแลก็เพื่อก็ก็คือทรัพย์ที่จะมาดูแลรักษาร่างกายของเราคือให้มีทรัพย์พอที่จะอยู่ได้ อยู่ดีกินดีก็พอแล้วถ้ามีมากกว่านั้นอยากเก็บเอาไว้เพราะมันไม่ใช่เป็นของเราอย่าไปเสียเวลาดูแลทรัพสมบัติของผู้อื่นแล้วถามว่าเป็นของใครมันก็เป็นของกิเลสตัณหานี่เองส่วนใหญ่เราจะหาทรัพย์มาเพื่อมารับใช้กิเลสตัณหาของเราเช่นพาเรา กิเลสต้องการให้เราพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเราก็เอาทรัพย์นี้ไปเป็นเป็นเครื่องเบอร์ไปเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีรถต้องมีค่าน้ามันต้องมีอะไรต่างๆเราก็เอารง น, นี้มารับใช้กิเลสตัณหาถ้ากิเลสตัณหาของเรามีกำลังมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะมาสร้างความทุกข์ ทรมานใจให้แก่ใจของเรามากขึ้นไปเท่านั้นดังนั้นเรามีทรัพย์ที่มากเกินกว่าการที่จะมีไว้เพื่อดูแลรักษาร่างกายของเราเราต้องรีบเอาไปทําบุญเสียเอาไปให้คนอืมม่นเสียถ้าเก็บเอาไว้เดี๋ยวจะถูกกิเลสตัณหาสั่งให้เอาไปใช้รับใช้กิเลสตัณหา เช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆที่ไม่จำเป็นไปซื้อสิ่งที่จะมาทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายไปซื้อรูปเสียงกิ่นลดปวดทพะเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเวลามันหมดไปถ้าเราไม่มีใหม่เราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะเดือดร้อนใจเช่นเอาเงินไปซื้อบุหรี่มาสุซื้อสุรามาดื่ม เวลาที่ซุบุหรี่หมดเราก็ต้องไปซื้อบุหรี่มาใหม่เวลาที่สุราหมดเราก็ต้องไปซื้อสุรามาใหม่พอไม่มีเงินพอเงินหมดไม่มีเงินซื้อบุหรี่ไม่มีเงินซื้อสุราใจของเราก็จะวุ่นวายจะหมุดหิดลาคาญใจแต่ถ้าเราเอาไปทําบุญนี้ใจของเราจะมีความสุขจะมีความเย็นมีความสบาย จะไม่หิวจะไม่อยากกับสิ่งต่างๆจะไม่อยากได้ของฟุ่มเฟือยจะไม่อยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจะไม่อยากสูบบุหรี่จะไม่อยากดื่มสุรายาเมานี่คือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเรามีสมบัติเข้าของเงินทองมากเกินความจาเป็นต่อการดำรงชีพพระเจ้าทรงสอนให้เอาไปทาทาน เอาไปให้ผู้ไปช่วยเหลือผู้สงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากลงบากลำบากพอเวลาที่ได้ช่วยเหลือผู้แล้วจะทำให้เรามีความสุขใจจะทำให้ใจของเรามีเมตตาจะทำให้เราไม่อยากจะเบียดเบียนผู้ก็จะทำให้เราสามารถปฏิบัติธรรมขั้นที่สองได้ก็คือสามารถรักษาศิงได้ ถ้าเรายังมีความอยากได้ในสมบัติเข้าของเงินทองยังหวงสมบัติเข้าของเงินทองอยู่เราจะรักษาศีลไม่ได้เพราะเวลาทํามาหากินมักจะต้องพูดโกหกกันเสมอเ<ม>พราะอยากจะได้เงินทองแต่ถ้าเราไม่อยากจะได้เงินทองเพราะเรามีเกินเรามีมากกว่าที่เราต้องการเราก็ไม่ต้องไปโกหกหลอกลวงใคร เราก็จะรักษาศีลได้ถ้าเรารักษาศีลได้ใจของเราก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นไปมีความสุขมากกว่าการทำบุญให้ทางใจจะสงบมากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราสามารถปฏิบัติทำขั้นที่สามได้ก็คือการภาวนาทำใจให้สงบเพราะการทาใจให้สงบนี่ จะเป็นการสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ใจเพราะไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะดีเท่าจะยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจแต่ใจจะทำให้สงบไม่ได้ถ้าใจยังวุ่นวายกับวิบากกรรมคือถ้ายังทำบาปอยู่ยังรักษาศีลไม่ได้ใจจะวุ่นวายใจจะวิตกกังวลกับ ความผิดที่ได้ทำเอาไว้ถ้าทำทานไม่ได้ก็ใจก็จะวุ่นวายกับการแสวงหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองสวงหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองตามอำนาจของกิเลสตันหาที่จะสั่งให้เราไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปหาความสุขทางตางหูจมูกนิ้วกายไปดูหนังฟังเพลง ไปซื้อของฟุ่มเยที่ไม่เป็นที่ไม่จำเป็นเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาทำใจให้สงบได้ถ้าเราทำใจให้สงบไม่ได้เราจะไม่สามารถสร้างสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องขึ้นมาได้คือเห็นว่าใจเป็นของเราแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ใช่เป็นของเรานอกจากใจเท่านั้นที่เป็นของเรา ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องที่เกิดจากความสงบเราก็จะสามารถดูแลรักษาใจของเราได้เพราะความสงบนี้มีพลังที่จะหยุดกิเลสตัณหาได้หยุดความหลงที่จะมาหลอกให้เราไปดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ได้เช่นถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่ เราจะไม่สนใจที่จะไปปฏิบัติตามคำสั่งของกิเลสตัณหาเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาให้เราไปหานั้นมันไม่ให้ความสุขเท่ากับการมีความสงบถ้าเราไปหาก็จะทำให้ใจเราไม่สงบเราก็จะเสียความสุขที่ยิ่งใหญ่ไปเราก็จะไม่ทำตามความอยาก ต, าตา่าง เราจะไม่ไปหลงดูแลรักษาสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จะไม่ดูแลร่างกายมากจนเกินไปดูไปเท่าที่จะให้มันอยู่ได้ก็พอมีข้าวให้มันกินมีบ้านให้มันอยู่มีเสื้อผ้าให้มันใส่มียารักษาโรคเท่านี้ก็พอแล้วส่วนสมบัติอย่างอื่นก็ดูแลไปตามกำลังแต่จะไม่วิตกกังวล ถ้าเกิดมันจะสูญไปหายไปเพราะว่ารู้ว่าไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องสูญไปหายไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีดูแลแทาเป็นแทบตายก็จะสร้างความทุกข์สร้างความเครียดให้แก่ใจไปเ ป, ะปะ่าๆนี่คือการที่จะทำให้เราสามารถทำตามที่ผู้เจ้าสูงสองสอนได้คือให้เรา มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราอย่าไปหวงอย่าไปรักษาสิ่งต่างๆเพราะเรารักษาไม่ได้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้สักวันนึ่งมันกับเราก็ต้องแยกกันไปคนละทางถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่เครียดกับเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนั้นคนนี้หรือเรื่องของทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองหรือเรื่องของร่างกายเรามันจะเป็นอย่างไรเราก็รู้อยู่แล้วว่าในที่สุดมันก็ต้องจบลงร่างกายนี้ไม่มีของไม่ว่าจะเป็นของใครมันไม่อยู่ไปตลอดสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปนี่คือการ ดูแลรักษาใจของเราเราต้องดูแลรักษาด้วยทานคือการให้มีอะไรที่เราไม่จำเป็นอย่ากเก็บเอาไว้ให้มันเกบกะให้มันเป็นภาระกับจิตใจทำให้จิตใจวุ่นวายไม่สงบทำให้จิตใจมีความทุกข์ไปตป่าๆเอาไปทำบุญให้ทานเสียแล้วเราจะได้รักษาสิ่งได้เมื่อเรารักษาสิ่งได้ใจเราก็จะไม่ วุ่นวายกับการที่เราทำผิดศีลคนที่ทำผิดศีลนี่จะเป็นเหมือนวัวสันลังหวัดมีอะไรมาแตะหน่อยก็จะเจ็บขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนี้ใจของเราจะไม่มีแผลเราจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดเมื่อเรามีความสงบจากการรักษาศีลแล้ว ก็จะทำให้การทำใจให้สงบอย่างเต็มที่นี้ไ ป, ไปได้อย่างง่ายดายเราต้องอาศัยทางกับศีลช่วยหยุดความฟุ้งซ่านของใจไปก่อนเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราก็จะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ถ้าใจเรายังฟุ้งซ่านยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นั่งไปยางไรก็ไม่สงบ ถ้านั่งไม่สงบก็จะเกิดความท้อทแท้ก็จะไม่อยากจะนั่งถ้าไม่นั่งแล้วใจไม่สงบก็จะต้องกลายเป็นธาตุของกิเลสตัณหาต่อไปจะกลายเป็นธาตุของความหลงที่จะมาหลอกให้เราไปดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราแล้วก็จะทำให้เราทุกข์ให้เราเครียดไปตลอดเวลาตายไปก็ต้องไปเกิดใหม่ เพื่อจะได้กลับมาทุกข์กลับมาเครียดใหมเ่เราเป็นอย่างนี้มานับไม่ถ้วนแล้วเราเกิดตายมาพบชาตินี้นับไม่ถ้วนแล้วมีมากกว่าที่เราจะสามารถนับได้ถ้าจะเอาน้ำตาที่เราร้องหอลร้องไห้ในแต่ละภพชาติมาสะสมมาไว้พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกว่ามันมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสีอีก คิดดูก็แล้วกันว่าเราจะต้องร้องไห้มากน้อยเพียงไรจะต้องเกิดมาเพื่อมาร้องห่มร้งองไห้ด้วยความทุกข์เสียใจนี้กี่ครั้งด้วยกันถึงจะได้น้าเท่ากับน้าในมาหาสมุทรและมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่น้อมเอาคำสอนของพระพิจเจ้ามาปฏิบัติคือเอาคำสอนที่บอกว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา เพื่อเราจะได้มีกำลังใจที่จะเสียสละที่จะตัดสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราออกไปเชื่อเราจะได้ทำบุญให้ทานได้ถ้าเรายังคิดว่าสมบัติเข้าของเงินทองเป็นของเราอยู่เราก็จะหวงเราก็จะอยากจะเก็บเอาไว้แล้วก็จะไม่กล้าใช้ถ้าจะใช้ก็ใช้ไปตามอานาจของกิเลสตัณหา ที่จะมาสร้างความทุกข์ให้เก่เรามากขึ้นไปดังนั้นอยากถ้าเราไม่มีใจที่แข็งพอที่จะเก็บเงินเอาไว้โดยที่ไม่ทำอะไรให้เสียหายแก่เราเราก็อยากเก็บเอาไว้เอาไปทําบุญให้ทานดีกว่าเพื่อเราจะได้มีเวลามารักษาสีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบเราก็สอนใจให้ฉลาด ให้ปล่อยวางถ้าเราทำตามแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงาเนินมาเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นภายในชาตินี้เลยพระพุทธเจ้าก็หลุดพ้นภายในชาติสุดท้ายภายในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าคือทรงทําทานอย่างเต็มที่มีสมบัติเข่าของเงินทองมากน้อยก็สละให้แก่ผู้หลุไป แล้วก็ไปบวชเป็นนักบวชรักษาศีลแล้วก็ภาวนาทำจิตใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดจนได้ตัดสุเป็นพระอาราหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมามีความรู้ความเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเงกจากใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจากนั้นพระองค์จึงไม่ดูแลรักษาอะไร นอกจากดูแลใจของพระองค์ให้สงบให้เย็นให้สบายเพราะความสงบความเย็นความสบายเป็นความสุขอย่างยิ่งนั่นเองความรุ่มร้อนของใจนี้เป็นความทุกข์เป็นความทรมานใจรุ่มร้อนเพราะอะไรเพราะความหลงเพราะความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราอยู่กับเราเป็นนานพอไม่ได้เป็นไปตามความอยาก ก็รุ่มร้อนใจวุ่นวายใจนี่แหละคือหน้าที่ของพวกเราที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มาพบพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้หน้าที่ของเราว่าเกิดมาเพื่ออะไรเราก็จะหลงไปกับการดูแลรักษาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราแล้วก็ต้องทุกไปกับการดูแลรักษา ไปจนวันตายตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่เพื่อกลับมาดูแลรักษาสมบัติต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราต่อไปอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้ทำตามหน้าที่ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติกันก็คือให้เรามาปล่อยวางเราอย่ามารักษา ส, บสมบัติข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราที่จะต้องจากเราไปในวันหนึ่งให้มาดูแลรักษาใจด้วยการทำทานด้วยการรักษาสิ่งด้วยการภาวนาอย่างที่พวกเราทั้งหลายกําลังมาทํากันอยู่ในวันนี้ขอให้เราทําให้มากยิ่งขึ้นไปยิ่งทํามากเท่าไหร่ผลก็ยิ่งปรากฏขึ้นมามากขึ้นดังนั้น และก็จะทำให้งานที่เราต้องทำนี้สาเร็จรุ่งรงไปได้ก่อนที่เราจะตายไปถ้าเราไม่รีบเร่งทำงานหน้าที่ของเรานี้ให้สาเร็จไปถ้าเกิดเราตายไปก่อนเราก็จะจะไม่มีโอกาสที่จะได้ทำหน้าที่นี้อีกจนกว่าจะได้กลับมาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะมาสอนให้เราทำหน้าที่นี้ ในช่วงนั้นเราก็จะต้องเวียนว่าตายเกิดต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไปอีกนับจํานวนไม่ทวนดังนั้นขอให้เราอย่าประมาทกันอย่าผัดวันประกันพรุ่งขอให้รีบทำกิจที่พู้เจ้าทรงมอบให้พวกเรากระทำกันให้สำเร็จรู้เรื่องไปอย่างรวดเร็วจะดีกว่าเพราะเมื่อเราเสร็จกิจนี้แล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจต่อไป จะมีแต่ความสุขไปตลอดและจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาเพื่อให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนทรัยและบุญกุศมที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีจากความสุขและความเจริญค้าคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ